จับ ก, ก็คืออนนี้จังทุกขังอนัตตาอนนี้จังก็คือไม่เที่ยงในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาทุกขังคือความเป็นทุกข์หรือว่าความไม่คงทนถานวรคําว่าทุกข์ถ้าทุกข์ในอริยสัจคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจหรือเรียกว่าสิ่งที่ทนได้ยากชื่อว่าทุกข์สิ่งที่ทนได้ง่ายชื่อว่าสุขแต่ก็ทนทั้งสองะเนาะทนยากกับทนง่าย ก็คือทนอยู่ดีนะใช่ไหมถ้าถ้าทนได้ยากเป็นทุกข์ทนได้ง่ายก็ต้องเป็นทุกข์สิจะเป็นทุกได้ยังไงเพราะยังทนอยู่ <c oughs> อันนี้แต่โดยทั่วไปเราจะเข้าใจว่าทุกข์นี่คือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสภาพที่ทนได้ยากแต่ทุกข์ในใจรักไม่ใช่สภาพอย่างนั้นทุกข์ในใตรักเป็นแสดงลักษณะของความไม่คงที่ไม่คงทนถาวร ทุกชั่วยากคำว่าแปลว่าอดหรือทนทนได้ยากทนทนในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อทนในสภาพเดิมไม่ได้จึงเกิดเป็นอนัตตาอนนี้จังทุกครั้งอนัตตาอนัตตาสิ่งที่คงทนสภาพเดิมในตัวเองไม่ได้มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นสลายนะแตกสลายแต่นี่ไม่มีใครตอบมีตอบอยู่คนเดียว สตกสลายสาภาพที่แต่สลายเรียกว่าอนัตตาแต่ทีนี้ในอ น, าตานัตตลักษณะสุดกล่าวเรื่องของอนัตตาว่าการที่ไม่อยู่ในความบังคับบัญชาหรือไม่อยู่ในภายใต้การควบคุมชื่อว่าอนัตตาหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามการควบคุมไม่เป็นตามการบังคับเช่นบังคับไม่ให้แก่ได้ไหม บังคับไม่ให้เจ็บได้ไหมบังคับไม่ให้ตายได้ไหมอันนี้คืออนัตตานี่คืออยู่ในอนัตตลคณสูตรสูตรที่ฟังแล้วล้างภพชาติในจิตของปัญจวัคคีย์ทั้งหานี่ล้างภพชาติเลยนะสิณสภาวะตรงนี้เพราะฉะนั้นอนัตตาจึงเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะล้างภพชาติในจิต แต่การจะล้างพวพชาติในจิตได้การที่พวงจะแสดงอนัตตาหรืออนัตตลัคนาสูนี้ได้เนี่ยผู้เจ้าต้องแสดงทำให้ให้เข้าถึงความเป็นสดาบันก่อนใช่ไหมมีดวงตาเห็นธรรมความเป็นโสวดาบันที่มีดวงตาเห็นธรรมนั้นมีความเห็นยังไงมีความเห็นว่าอย่างไงที่เป็นความเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรม ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้พวไม่เรียนไตรลักษณ์เนี่ยเนี่ยหมายถึงเข้าถึงผลแล้วเข้าถึงผลแล้วเนี่ยมีความเห็นว่ายังไงเข้าถึงสดาปฏิผลแล้วจะเกิดความเห็นยังไงก็นั่นแหละ เห็นร่างกายตามความเป็นจริงมันเห็นมาตั้งแต่วิปัสสนาญาณชั้นบุรุชนีแล้วอันเข้าถึงผลแล้วนะนะอันเห็นกายตามความเป็นจริงนั้นมันคือยังเป็นมรรคอยู่นะงง อ, อ่านธรรมะของอัตมาอย่างไีอัตมาสอนลูกศิษย์ยังไงน้อนีน่เนาะ เออสอนลูกศิษย์ให้งงหรือเปล่าวะเรานี่หรือสิ่งที่ถามไปนี้ทํานี้งงงงกับคําถามใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าในวันที่พ่อโมกเออไม่ใช่ในวันที่พระอัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระอัญญากันพัญญาโกนทัญญะเกิดควอมรู้อะไรรู้ว่าอะไรเออเอออันนี้มันน่าจะพูดเป็นเรื่องไตลักษณ์ได้อยู่ที่นี่ ถาที่แรกก็้วตอบกันไม่ได้นี่มันไปไม่เป็นเหมือนกันในคนจะเทศนี่เพราะการเทศเทศไปแบบเปล่าๆแบบคนตามได้บ้างตามไม่ได้บ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอั น, นิจไม่เอาอ่ะก็ท่อนกระแท่นอะไรเงี้ยไม่ได้ผลเท่าไหร่ต้องรู้เรื่องกันไปเป็นระยะระยะระยะระยะระย ะ, ะ, ยะใช่ไหมล่ะ พราะถ้าพระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลกนัสูตรโดยไม่แสดงธรรมจากกรบวรนสูตรเนี่ยไม่ได้มีความเห็นเป็นพื้นฐานในจิตว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจะดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยถาไม่มีความเห็นพื้นฐานอย่างเงี้ยวไว้ในจิตไม่มีความรู้อย่างเงี้ยติดอยู่ในจิตไม่มีดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้ติดอยู่ในภายในดวงตาเห็งปัญญาพระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลกนัสูตรปัญจะวคีทั้งห้าจะบรรลุหรือจะทำลายล้างอสวะไม้ก็ไม่เห็นไหมล่ะ ผู้เจ้าเลือกเฟ้นธรรมอนาตารคณสูตรหรือไตรักษจะเป็นธรรมที่ละเอียดหรือเป็นธรรมที่สามารถทำลายล้างภบชาติได้แค่ไหนก็ตามหากจิตของผู้ฟังยังไม่มีความเห็นหรือความรู้ที่แนบชัดเจนกับตนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรดาสิ่งนั้นย่มดับไปเป็นธรรมดาฟังไปก็ได้ปริยได้บุญแต่ไม่ได้ปัญญา ทีนี้เราจะฟังเอาบุญน่ะฟังเอาบุญเดี๋ยวให้ผมพูด เ, เ, เปเทศให้ฟังท่านท่านท่า น, นยูเทศให้ฟังก็ได้ฟังเอาบุญฟังเอาอะไรเอาดวงตาเห็นธรรมทีนี้คนก็บอกว่าเอาแล้วบุคคลที่ไม่ใช่โสดาบันจะฟังเรื่องอนัตต์อนัตต์ตาละกะัลลัสรูจะฟังเรื่องของไตรลักษณ์นี้ไม่ได้เหรอได้ทำไมจะฟังไม่ได้ ฟังได้แล้วปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้เอาแล้วถ้าอาจารย์ทไมไมําไอ้วิธีมันต้องไล่เช็คความค่อยใจกันไปไปตามลําดับก่อนถึงจะเทศได้มันก็ปฏิบัติถ้าคนไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติแบบปอกมะพร้าวเอาปากกัดนั่นแหละโยนมาเร้าให้กับปากคาบกัดกินกัดกินเลยกินเปลือกกินเปลือกเพื่อนีไงลนะ่ะ กินเปลือกเยอะนะคนปฏิบัติธรรมที่กินเปลือกนี้เยอะกินเปลือกมะพร้าวเยอะยิ่มไหมหกินเปลือกมะพร้าวยิ่มก็ย <c oughs> ิ่มเหมือนกันนี่กินเปลือกมะพร้าวทำไมถ้าคนที่มีความเห็นมาเบื้องต้นที่ดีแล้วถ้าคนเข้าถึงผลแห่งความเป็นมิโซดาบันแล้วนะมันไม่ติดอะ่ะ ไ, ไตรักมันก็ไม่ติด มันแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งกับการฟังหรือแจ่มแจ้งกับการพิจารณาก็เป็นพิจารณาพี่ไม่ได้แจ่มแจ้งกับการฟังเด้ทําปริยายของพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งทั้งหมดเมื่อทําปริยายของพระยอดแจ่มแจ้งทั้งหมดแต่ผู้ฟังนั้นไม่สามารถพิี่ณาให้ถึงความแจ่มแจ้งได้ทําปริยายทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่ปริยัติคือฟังผ่านหูเรียนรู้ผ่านตา คิดตามไม่เป็นก็ปี่น้ไม่ออกหากประเทศเรื่องไตรักอาตมาเชื่อว่าในเนี่ยมไม่มีใครรู้จักคำว่าไตรักและไตรักมากประกอบมาจากอะไรก็ทุกคนก็รู้จักทําได้ตอบได้ใช่ไ้มถูกต้องไหมตอบได้ไหมตอบได้กันหมดทุกคน น, ะนั่นในนี้แ น, น, น่ใจหรือเปล่า ถำเรื่องตลักรีตอบได้นะตักแปลว่าอะไรตลักแปลว่าอะไรเอา้าใครบอกตอบได้ตอบให้ฟังไตลัก์แปลว่าอะไรเออตอบได้จริงๆเว้ยลักษณะสามจำไว้เลยนะไตลักคือลักษณะ3ลักษณะสามของอะไร ถ้าเราไม่รู้ว่าลักษณะสามของอะไรเราจะไปโฟกัสพิจรารณาหรือดูมันมันก็ไม่ได้มันต้องโฟกัสลงไปในลักษณะสามของอะไร้องอะไรลงไปของทุกอย่างมันก็ทุกอย่างมันก็จริงอยู่มันก็ของทุกอย่างทุกอย่างก็เป็นไตรักคือไม่ไม่ใช่เป็นใจรักคือมีลักษณะสามคือมีลักษณะแห่งความไม่เที่ยงลักษณะแห่งความไม่คงทนสภาพเดิมลักษณะแห่งการต้องสลายตัว มันมีลักษณะ3อยู่แล้วทุกๆสรรพสิ่งแต่สิ่งที่พระเจ้าให้รู้ให้ดูให้กําหนดให้พิจารณาใ ห, ให้เข้าไปทราบเนี่ยคืออะไรสิ่งที่รประกอบขึ้นกันขันหมันก็ผูกก็เหมือนกันกับทุกทุกอย่างนั่นแหละก็สิ่งที่ประกอบขึ้นกันทุกอย่างเลยเนี่ยคุณน้องตอบถูกขันห้าขันห้าอยู่ที่ไหนนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องดูไตรลักษณ์ที่ไหน กายกับใจใช่ไหมลักษณะสามของกายคืออะไรกายมีเที่ยงอย่างไรลักษณะสามของใจคืออะไรใจมีเที่ยงอย่างไรลักษณะสามของกายประกอบมาจากดินน้าไฟลมมันมีลักษณะสามอย่างไรดินน้ําไฟลมอย่างเงี้ยก่อตัวกันในเบื้องต้นแปรปรวนไปในท่ามกลางเสื่อมสลายไปในที่สุด ใช่ไหมนี่คือกายแล้วใจละ่ะจิตเนี่ยก่อตัวในเบือเอเอเบ้องต้นไหมเอาเวทนาขันก่อตัวในเบื้องต้นไหมก่อตัวมาจากอะไรสุ ข, ขเวทนาเกิดตัวมาก่อตัวมาจากผัสสะผัสสะที่พึงพอใจทุกระเวทนาก่อตัวมาจากผัสสะที่ไม่พึงพอใจ อทุกขมัสุขเวทนาเกาอตัวมาจากพัสสะที่ไม่สุขไม่ทุกข์มเมื่อสุขเกิดขึ้นมีลักษณะสาโดยเกิดขึ้นในเบื้องต้นเก่อตัวในเบื้องต้นแล้วแปรปวนไปในท่ามกลางไหมสุขเวทนามีการก่อตัวในเบื้องต้นและแปรปวนใน่ามกลางไหมแปรปวนไหม แล้วเสื่อมสลายไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วแปรปวนไหมแปรปวนในทรากลางเสื่อมสลายไหมเสื่อมสลายจาเป็นไหมที่เราจะต้องไปมีความสุขหรือมีความทุกข์ตามอาการของเวทนาเพราะมันอะไรเพราะมันมันเกิดแล้วมันก็แปรปวนแล้วก็มันเสื่อมสลายเราไม่จําเป็นจะต้องไปมีสุขมีทุกข์อะไรกับมันเลยสุข ก, ก็สุขไปสิเป็นเรื่องของขันทุกข์ก็ทุกข์กไปสิเป็นเรื่องของขัน เราไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับมันถูกต้องไหมอันนี้คือความสุขต้องถำเอา ม, มันทาลายอบชาติได้ยังไงอบชาติมันเกิดขึ้นตรงไหนอ๋อถูกต้องเมื่อหลงเข้าไปเป็นสุขหรือหลงเข้าไปเป็นทุกข์หรือเข้าใจว่าสุขนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเราทุกข์เป็นเครื่องทำลายเราเราไปเข้าใจอย่างนั้น สุขไม่ได้หล่อเลี้ยงเราสุขเกิดขึ้นมาตามผสัสสะแสดงให้เราได้ทราบสิ่งที่สัมผัสอยู่ว่าเป็นอย่างไรภุต ก, ก็เกิดมาตามผสัสสะแสดงให้เราได้ทราบว่าสิ่งที่เราสัมผัสอยู่นั้นเป็นอย่างไรเนี่ยมันคือผัสสะมันคือเครื่องสแสดงเวทนาทั้งสามแต่เมื่อเราหลงเราไม่เข้าใจสุขเกิดขึ้น ราคะมุสัยตามนอนเป็นภพใช่ไหมเชื้อเชื้อภพมาแล้วเชื้อภพมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่เชื้อภพตัวเนี้มันจะดับคือเวทนามันไม่ผิดแต่เชื้อแห่งภพคือราคะมุสัยที่เกิดมาพร้อมกับสุกเนี่ยเนี่ยคือตัวการที่จะทําให้เราเกิดแล้วเกิดอีกเราจะทําลายภพเมื่อทําลายภพเราจะต้องทําลายที่ไหนทำลายที่เชื้อมันใช่ไหมล่ะ พบยังเป็นผลใช่ไหมไม่น่ากลัวพบเพราะมัเป็นผลไม่ใช่เหตุเชื้ อ, อันคือเหตุเชื้อแห่งพบก็คือราคะนุสัยปฏิฆานุสัยอวิชานุสัยนี่เป็นเชื้อแห่งพบเมื่อเราทํำลายพบก็ต้องทำลายที่เชื้อเชื้อแห่งพบมันตามนอนอยู่ในเวทนาทั้งสสุขเวทนาทุกขเวทนาอัตุขมาสุขเวทนานั่นหมายถึงว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเอง มันอาศัยเวทนาเกิดการที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นมาด้ตัวของมันเองจะต้องอาศัยเวทนาเกิดมันมีตัวตนของมันไห ม, ไ ม, มไม่มีนะหมายถึงว่าตัวเชือเ้อในลาคั้นอุสัยก็ไม่มีตัวตนถูกต้องไห ม, ไมเพราะก่อนที่มันจะเกิดมันอยู่ที่ไหนไ ม, ไม่มีมมและเมื่อมันดับเกิดแล้ว จึงปรากฏว่ามีมเมื่อดับลงไปแล้วมันอยู่ที่ไหนมไม่มีแสดงว่ามันมีชนะเฉพาะขณะที่ปรากฏถาว่าขณะที่ปรากฏเนี่ยมันคงทนถาวรไหมมันคงสภาพเดิมไหมไม่คงสภาพเดิมใช่ไหมทําไมมันถึงไม่คงสภาพเดิมทําไมมันถึงไม่คงสภาพเดิมเอาไม่มีตัวตนแล้วมันเกิดมาได้ยังไง อาศัยใช่ไหมทำที่อาศัยกันเกิดขึ้นเรียกว่าอะไรปะติดจะสมุปบาทหรือจะเอาเต็มตัวปะติดจะสมุปปะบาทปะติดจะสมุปบา ท, บาทพองกล่าวถึงตัวนี้พราะอาศัยกันเกิดนั่นเองจึงมีลักษณะ3ปรากฏถ้าไม่อาศัยกันเกิดลักษณะสก็ไม่ปรากฏ การที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการอาศัยกันเกิดขึ้นแสดง ว, ว่าสิ่งนั้นมีเองอยู่แล้วโดยตัวของมันแบบดโดดสิ่งที่มีอยู่เองแล้วโดยตัวของมันเองดโดดเนี่ยมันจะไม่เกิดลักษณะ3เพราะไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นเลยอาศัยตัวมันเองละเกิดเพราะฉะนั้นกิเลสจึงตกอยู่ภายใต้ลักษณะ3เมื่อกิเลสตกอยู่ภายใต้ลักษณะ3มคือมีการก่อตัวกันในเบื้องต้นแปรปรวนไปในท่ามกลาง แล้วก็เสื่อมส า, ายเป็นที่สุดเราจะไปทําอะไรกับมันไหมในเมื่อมันเกิดเองแล้วก็ดับเองราคานุสัยเกิดเองดับเองปฏิฆานุสัยเกิดเองดับเองที่เป็นเชื้ออย่างภพเนี่ยอวิชานุสัยเกิดเองดับเองต้องทําอะไรกับมันไหมต้องกําจัดมันไหมต้องทำลายมันไหมเร า, าจะล้างภพชาติได้ยังไงฮะผู้เจ้าจึงใช้คําว่ารู้ตามความเป็นจริง รู้ว่ายังไงตามความเป็นจริงก็รู้ว่ามันก่อตัวในเบื้องต้นแปลปวนไปในถ้ำกลางแล้วก็เสื่อมสายไปในที่สุดก็รู้ตามความจริงและเมื่อรู้ตามความจริงแล้วถึงทราบว่ามันอาศัยเวทนาเกิดมันจึงเกิดราคะนิสัยอาศัยสุขเวทนาเกิดมันจึงเกิดหากไม่มีราคะนิสัยหากไม่มีสุขภเวทนาเกิดราคะนิสัยเกิดได้ไหมหากไม่มีทุกขเวทนาเกิดปฏิฆานุสัยเกิดได้ไหม หากไม่มีอทุกขม ส, สุ่เขาเวทนาเกิดอวิชานุสัยเกิดได้ไหมไม่ได้แล้วมันไปอยู่ที่ไหนล่ะแล้วทำไมมันมามีตอนที่เวทนาเกิดล่ะฮะสิ่งที่ไม่เคยมีจะเกิดมีได้ไหมล่ะในเมื่อมันไม่มีมันจะมามีได้ไหมล่ะสิ่งที่ไม่เคยมีจะเกิดมีได้ไหม ตองสิ่งที่มีเท่านั้นจึงจะมีจึงจะเกิดได้เพราะมีดินมีน้ํามีไฟมีลมจึงมีกายเพราะมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณจึงมีจิตเห็นไหมสิ่งที่มีมันจึงมีทีนี้เมื่อเราบอกว่าก่อนที่จะเกิดมันก็ไม่มีตับไปแล้วมันก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีสิ่งที่ไม่มีแล้วกลับมามีเนี่ย มันเปลนไปได้ไหมแสดงว่าเชื้อแห่งพบเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วถูกต้องไหมเพียง <c oughs> แต่ว่าไม่ปรากฏแต่ไม่ได้มีอยู่โดยตัวของตัวของมันเองโดยโดดๆเข้าใจไหมมีอยู่แต่ไม่ได้มีอยู่โดยตั ว, ตวของมันเองโดดๆ เหมือนกับเอาดินไปอยู่กับดินโดดๆอย่างเงี้ยไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีลมจะปากรเป็นรูปได้ไหมไม่ได้ดินที่ล อ, ลอยอ ย, อยู่อยู่ในเวลาเนี้ยต่อหน้าต่อตาเราเนี้ยมันลอยอยู่ไม่รวมกับดินน้ําไฟลมเนี่ยเห็นมันไหมไม่เห็นแต่ถ้าดนนได้รวมกันดินน้ําไฟลมรวมกันเกิดเป็นรูปใช่ไหมรูป ม, มาจากดินน้ําไฟลมคือธาตุ า, ตามธรรมชาติหรือเอาน้ําไว้โดดๆ โดยที่มาประกอบดินไม่ประกอบไฟไม่ประกอบลมเราจะเห็นน้ำเป็นหยดน้ำไหมไม่เห็นน้ำก็มี น, นั่นเแต่เรามองไม่เห็นเลี้ยวกล้องมาส่องก็มองไม่เห็นเขาบอกเอาเห็นอยู่เห็นเห็ น, เ, หนเล็กๆเป็นฝุ่นละอองเออเป็นไฟฝอยอันนั้นคือการรวมตัวของ่าตทั้งสี่แล้วที่เห็นนั่นถ้าอยู่โดดๆมันไม่มี แต่มันมีไมหลมล่ะมีแต่มันแต่มันก็ไม่มีถือว่าไม่มีเพราะไม่เห็นเพราะฉะนั้นคำว่าปฏิสุบาทจึงโยงไปถึงอิทัปปั จ, จยตาอิทัปปั จ, จยตากล่าวไว้อย่างไรอิทัปปั จ, จยะตากล่าวไว้ว่าอย่างไงไม่ไม่อ่านกันบ้างเลยตรงนี้ทำทำข้อมูลกันมาบ้างหรือเปล่า หรือว่าใช้สับสูงเกินไปมันเป็นเรื่องของความแยกย่อยที่เราจะต้องเรียนรู้นะอีทัาปัญญาตากล่าวไว้ยอย่างไรบ้างเอาอย่างเช่นปฏิจสมบัติปฏิจจะแปลว่าอาศัยอุปฏิ จ, จะแปลว่าอาศัยอุปาทาแปลว่าการเกิดขึ้นไม่ใช่ขออภัยปฏิจจะแปลว่าอาศัยบวกสัง่ง แปลว่าพร้อมสรงปฏิจจสมุสร่างนี่คือสมุสัตอังเปลี่ยนอังเป็นมาสมุคืออุปาทาคือเป็นศัพท์ที่บวกกันแปลว่าการเกิดขึ้นปฏิจจ์อาศัยสร้างแปลว่าพร้อมอุปาทาการเกิดขึ้นอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมกันคือมีความพร้อมกันจึงเกิดขึ้นมีเวทนาจึงเกิดราคะนุสัยมีทุกขเวทนาจึงเกิดปฏิฆานุสัย มีอทุกข์กสุขกรรมเวทนาจึงเกิดอวิชชาอาศัยคืออาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมจะเกิดมาโดดโดดไม่ได้เวทนาเกิดโดดดดได้หมอาศัยอะไรผัสสะใช่ไหมเนี่ยผัสะเกิดโดดโดดได้ไหมไม่ได้อาศัยอะไรอาศัยอายตนะใช่ไหมตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยอายตนะเกิดโดดดได้ไหม พออาศัยสิ่งพออาศัยรูปอาศัยตาประโจ ก, กันเข้าใช่ไหมพออาศัยหูอาศัยเสียงประจวบ ก, กันเข้า<อ>เกิดรู้ในสิ่งนั้นจึงเป็นภาษาภาษาก็ให้เกิดเวทนาเนี่ยมันมันจึงเป็นปฏิจจั์แต่ปฏิจจสมุป บ, บาทในที่พระองคทรงกล่าวสอนนั้นคือเป็นปฏิจจสมุป บ, บาทในชั้นของการทําลายอาสวะ ไม่ให้ปฏิสุบะตในสิ่งทั่วไปที่เราพูดถึงเ <c oughs> ช่นอาศัยแผ่นดินจึงมีต้นไม้หรือว่าอาศัยน้ำลดในต้นไม้ต้นไม้จึงเจริญเติบโต <ừ. S 1> เรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นพูะเจ้ากล่าวถึงปฏิสุบา ต, ตรงที่ขณะแห่งจิตที่เกิดความรู้หรือความหลงใช่ถ้ารู้ก็เป็นนิโรธวนันถ้าหลงก็เป็นสมุทัยวนัน ถูกต้องไหมทุกที่เกิดขึ้นจากความหลงก็เป็นทุกขสัจจ์ถูกต้องไหมนี่นคือปฏิสปฏิจจสมุปบาทที่พระเจ้าทรงกล่าวถึงที่พระองค์ ท, ทรงเทศนาทีนี้เมื่อมันอาศัยการเกิดขึ้นมันจึงเป็นเหตุให้เกิดองค์ธรรมเชื่อมโยงไปถึงอิทับปัจจยตาอิทับปัจจยตาที่เรา ได้ยินกันบ่อยๆหรือไม่ค่อยบ่อยเนี่ยพอได้ยินมาบ้างเนี่ยคืออะไรเหตุปัจจัยนั่นแหละเขากล่าวไว้ยังไงเหตุปัจจัยนะปัจจัยตาคือปัปจจัยอิทะแปลว่านี้ปัจจัยยะคือปัจจัยที่ปัจจัยของสิ่งนี้หรือปัจจัยของของขอ ง, ของความเป็นอย่างนี้ ก็ถูกมันเป็นของมันอย่างงั้นเนื้อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีข้าใท็จเยสิ่งที่มีสิ่งนี้จึงมีนั่นคือการการมองแบบภาพรวงอ๋อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเราต้องคิดดิสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีแสดงว่ามันไม่ได้มีตัวเองของมันโดยตัวของมันหมายถึงว่าแม้แต่กิเลสเองก็ไม่ได้มีอยู่โดยตัวของมันมันจะมีอยู่ยังไงก็ตาม ถ้าไม่มีเวทนามันเกิดขึ้นอยู่ได้ไหมเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้แล้วมันจะไปสร้างพบสร้างชาติให้ใครได้ไหมล่ะไม่ได้แต่พราะมันมีเวทนามันจึงมีอยู่ถามว่าเราก็ดับเวทนาสิถามว่าดับเวทนาแล้วก็ตัวมันยังมีถามว่าเราดับเวทนาได้ตลอดไมหมล่ะไม่ได้เอาแล้วดับอะไร ทีนี้เราก็ไปดูว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีบาลีว่ายัางไงภาษาบาลีบาลีถ้าพูดถึงบาลีนี่มันเรื่องเล่าเรื่องมุนกันไปแล้วบาลีเขาเกล่าวว่า อ, อิมัสมิงสติอิดังโหติอิมาสศปารธาอิมสศป า, ารธาเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น จำได้มีหมดเหมือนกันแ ต, แต่ที่จะพูดถึงคือพูดถึงคาว่าอิมัสมิงสติอิดังโหติฟังให้ดีนะอิมัสมาหิงแปลว่าอะไรสิ่งนี้อิมัสมิงสติแปลว่าอะไรการระลึลกรู้อิดังแปลว่าอิมัสมิงสติอิดังโหติอิดังแปลว่ า, ว า, ว า, วานี้ โหติแปลว่าย่อมีมออใช่ไมพื้นพื้นพื้นพื้นที่เรียนกันหรือหมดแล <c oughs> ้วคืนท่านมหาหมดแล้วท่านมหา <c oughs> เสียใจแย่อุตสาหส <c oughs> อนโหติง่ายๆสับพื้นพื้นสับทั่วทั่ไปสับ <c oughs> โชตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะทำให้เราทราบ ค, ายายาความเป็นอิทธปัจจยตาว่ามันคืออะไรฟังให้ดีนะ บเบเอพรอาจารย์ทำไมไม่เทศออกไปเป็นเนื้อหาแห่งธรรมมันวกเข้ามาหาบาลีทําไมจําไม่เลยนับบาลีหากเราไม่ตีให้มันแตกธรรมชาติที่เรารู้ก็ไม่มีไม่สามารถที่จะแจ่มแจ้งได้บาลีเป็นตัวแสดงหรือว่าเชี่ยวเห็นสภาพแห่งสภาว่าทำได้ถูกต้องยิ่งกว่าภาษาที่คนอื่นพูดทั้งหมดในทั้งจกนนักรวรรนี้แล้วคนที่พูดภาษานี้มีแต่ผู้ได้ย่าเท่านะั้น ที่พูดโดยใช้บาลีในการถ่ายทอดธรรมะเป็นภาษาที่ถูกเป๊กกว่าทุกภาษาเพราะนรามันตีมันแตกไงทำไมถึงใช้คาว่าสติเขามาแปลว่าสิ่งนี้มีเพราะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนั้นก็ย่อมไม่มีสติย่อมมีย่อมเป็น ภาษาบาลีนี้จะทําให้เราได้กระจ่างในหลายเรื่องแล้วเราจะรู้ว่าในคําพูดในภาษาที่ใช้กันทั่วไปทั้งหมดในวโวหารแห่งการแสดงธรรมมันมันก็แค่นั้นเรา่อมาว่าแค่นั้นเลยนะถ้าไม่มาตีภาษาบาลีนี่จะจะรู้เลยว่าภาษาบาลีนี้ลึกซึ้งมากสติแปลว่าการระลึกใช่ไหมการระลึกรูก้เมื่อใดก็ตามที่เราระลึกรูก้สิ่งนั้นจึงมี สมมตว่าตอนนี้เราระลึกรู้ในกายอาดีตนี้ไหมอนาพจน์มีไหมมีแต่การละลึกรู้ในขณะนี้เมื่อละลึกในกายกายจึงมีเมื่อเละลู้ในเสียงกายมีไหมกายไม่มีใช่ไหมกายไม่มีเพราะมันรับรู้แต่เสียงเพราะการละลึกท่านพนมพรอาจารย์พนมพรจึงพูดในเช้านี้ว่าการละลึกสติน่ะมันมีทั้งวิชฉาสติและก็สัมมาสติ การระลึกแบบตามธรรมด า, าทั่วไปเนี่ยคือมิจฉาสติเมื่อเราไม่ได้ลึกรู้อะไรสิ่งนั้นไม่มีถึงแม้มันจะมีแต่มันไม่มีเพราะมันไม่ได้เข้ามาสู่วิถีของจิตเข้าใจไหมมันไม่มีต้นไม้ในภูเขาเราไม่ระลึกรู้มันมันมีไหมแต่มันมีอยู่ไห ม, มแต่มันไม่มีใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไประลึกรู้รมันตรงนี้ย ตอนนี้เรากำลังเรารู้ถึงเสียงเมื่อเราเรารู้ถึงเสียงปุ๊บลูปหายใช่ไหมเวทนาหายใช่ไหมเราเรารู้แต่เสียงใช่ไหมเสียงมีอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีเสียงปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงโยงเข้าสู่คามาสติปฐาน4ที่พโอโซตัดไว้หลักธํามมันเชื่อมโยงกันอย่างไรว่าสติที่เรา เป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นสัมมาสติหรือเปล่าอะไรจะเป็นเครื่องการันตีของสัมมาสติก็สติประฐานสี่ไงคือเรามีการระลึกอยู่แล้วเรามีสติก็อยู่แล้วนะระลึกถ้าระลึกไปอดีตอดีตมีใช่ไหมระลึกไปอนาคตอนาคตมีใช่ไหมเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมาซมิงสติเมื่อมีการระลึกถึงสิ่งนั้นจึงมีเมื่อไม่มีการระลึกถึงสิ่งนั้นไม่มี นึกถึงบาปสิบาปเกิดไหมยอย่านึกถึงมัน <c oughs> บุญเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมบาปก็หายไปเมื่อบุญเกิดได้บาปหายไปเราก็นึกถึงตามหลักคําสอนของพระเจ้า เ, าเพื่อที่จะไถ่ถอนอาสวะออกใจากจิตใจเรามันอยู่ที่วัสติในขณะนี้นีิมันจะไถ่ถอนสติในขณะนี้เราเลือกลุ้อะไรหากเราเลึกรู้ว่าทั้งกายสังขารและจิตสังขาร เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลปวนโดยนักทกางด้วยกระเสืนสิ้นไปในที่สุดการระลึกรู้อย่างนี้มันเป็นสมาสติคือเป็นสมาสติแต่สติปฐานสี่ระลึกในกายระลึกในเวลาระลึกในจิตระลึกในธรรมนั่นเป็นพื้นฐานเป็นสติขั้นพื้นฐานสมาสติขั้นพื้นฐานแต่ระลึกในอริยสัจสี่ระลึกในไตรลักษณ์ระลึกในองค์ธรรมต่างๆอันนั้นเป็นสติในชั้น ไมมีการทำลายภูมิชาติเพราะฉะนั้นเมื่อมีอิทธิภทัศปัญญ า, ามีปฏิสูบาทมีขันห้าเป็นตัวยืนในการเพ่งพินิจพิจารณามีอริยสัจสีเป็นการแยกแยะแต่ละส่วนว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุที้เกิดทุกข์อะไรคือความดับไปของทุกข์อะไรคือทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์อย่างเงี้ยและมีตัวเราตัวเนี้ย เป็นตัวยืนในการเพ่งทินิพิจารณาแล้วหลักคมนั้นจะแจ่มแจ้งขึ้นมาโดยการมีสติโดยสัมมาสติในวันวันหนึ่งจิตหรือว่าสติเราเนี่ยระลึกไปในเรื่องอะไรบ้างส า, าาสามารถเราสามารถระลึกตึกนึกในธรรมได้ตลอดั้ยในวันวันหนึ่งและ เมื่อเราไม่สามารถตึกนึกในธรรมได้ตลอดการตึกนึกในธรรมกับตึกนึกในทางโลกอันไหนมากกว่ากันโลกมากกว่าใช่ไหมแล้วสิ่งนั้นจะมีอยู่ในจิตเราสิ่งนั้นมีอยู่หรือปรากฏขึ้นในจิตเราเข้ามาในวิถีของจิตนั้นมันจะนําไปสู่ภบชาติรือลับภพบชาติถ้าเป็นเรื่องของโลกเนี่ยก็สืบพบชาติใช่ไล่ะหากเราระลึกอยู่ในธรรมบ่อย เพราะการระลึกมีอยู่ธรรมะจึงมีเพราะการระลึกในโลกมีอยู่ความสื่ต่อแห่งโลกก็ยังมีระลึกในธรรมการสืบต่อแห่งธรรมก็มีการสื่อต่อของธรรมในจิตเป็นการสื่ต่อเพื่อทำลายอาสวะการสื่อต่อของโลกเป็นการสืบต่อเพื่อสร้างภบชาติทีนี้เราก็ทราบเส้นแบ่งแล้วทีนี้ของจิตเราจะระลึกในอะไร เมื่อผู้เจ้าทรงแสดงสติปัฏฐานสเป็นเครื่องปูพื้นฐานในจิตให้มีการระลึกในกายทราบการระลึกในกายไหมในเวลานี้ทําการระลรู้พอพูดครั้งหนึ่งยิ่งจะทราบใช่ไหม <c oughs> แล้ววันตอนที่ไม่พูดจะเป็นยังไงระลึกอะไรก็รู้กายมีอยู่นะเมื่อระลึกปุ๊บก็กายมีอยู่เนี่ยเราก็ระบกกาย ทีนี้การรับทราบกายอย่างเดียวก็ทําลายภพย่างไม่ใช่ได้เมื่อทราบกายแล้วต้องรู้ทุกขสัจจะในกายรู้ไหมแล้วลึกรู้ในทุกขสัจจะในกายไหมหรือรับทราบเฉยรับทราบเฉยเนี่ยังทำลายอาสะวะอะไรไม่ได้นะรู้ทุกขสัจจะในกายด้วย ทีนี้เมื่อเมื่อมีกายก็มีทุกข์สัจจะในกายคือความที่ไม่สบายกายไม่สบายใจกายมันมีความไม่สบายอยู่ในภายในมีตัวของมันทําไมก็มันยังหายใจอยู่อาการที่หายใจอยู่คือมันไม่สบายนั่นเองเพราะไม่หายใจเังก็ไม่สบายนั่นแหละเพราะภาวะที่หายใจจึงทําให้ความไม่สบายหรือความอุดอัดคลายไปการหายใจจึงเป็นการแสดงออกถึงความไม่สบายของกายความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เมื่อรับรู้กายก็ต้องรับรู้ทุกข์สัจจ์ไปด้วยทําไมถึงมีความไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะกายเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปวนไปในท่ามกลางและมันเสื่อมสลายไปในที่สุดหมายถึงว่าหายใจเข้าไปฮึดนึงเนี่ยลมหายใจมันสามารถตั้งอยู่ได้ตลอดไปไหมไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปต้องเอาออกแล้วหายใจเข้าไปใหม่ใช่ไหม นั่นคือแม้แต่ลมหายใจเองก็เกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนไปในทางกางเสื่อมสิ้นไปในที่สุดเราเห็นลักษณะสามหรือยังเห็นแล้วนะทีนี้ก็เข้าไปหาเวทนาปรากฏเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดูกายอย่างเดียวก็ยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสต้องเข้าไปหาเบญนาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตอนนี้มันอันนี้คําว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอริยสัจ4ี่แล้วนะ จะไหมเกี่ยวกับตัวผัสสะเพราะเวทนาเกิดจากผัสสะใช่ไหมกายเวทนาเอาผัสสะผัสสะ ข, ของกายในเวลานี้สัมผัสสิ่งที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนมากเราก็บอกว่าเฉยใช่ไหมจริงจริงแล้วเราอยู่กับสภาพที่เป็นเฉยเนี่เยอะตลอดแต่เราไม่ค่อยใส่ใจเมื่อเราไม่ใส่ใจเราไปใส่ใจแต่กับสุขกับทุกข์เนี่ยมากเกินไปเราเลยรู้แค่2ด้านชีวิตเราจึง วนเวียนอยู่กับสุขับทุกมาตลอดแต่จริงๆแล้วเราอยู่กับเฉยๆเนี่ย <c oughs> มากที่สุดในแต่ละวันแต่อาการที่เฉยๆหรือว่าอทุกขเขามาสุข่าวเวทนามไม่ปรากฏว่าเป็นสุขหรือไม่ปรากฏว่าเป็นทุกข์อย่างชัดเจ น, เนแต่มันก็พร้อมที่จะสุขแลยก็พร้อมที่จะทุกข์แต่ยังไงก็ตามเราก็ทราบในกายว่ากายนั่งอยู่ในอิรียบทนั่งมีทุกข์ขัดจัอยืนในนี้ที่มันเป็นทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นแปรปวนแล้วก็ เสือมสลายเมื่อเราทราบอย่างนี้สัดเจนปุ๊บเวทนาเป็นยังไงเป็นอทุกขามัสุขเวทนาอาทุกขามัสุขเวทนามีทุกอยู่ในนั้นไหมนะอทุกขมัสุขเวทามีทุกอยู่ในนั้นไหมมีเป็นทุกอย่างไงมีมีทุกอย่างไงมันเฉยเฉยเป็นทุกใช่ไหม มันไม่แสดงความเป็นทุกข์ชัดแต่ตัวของมันเป็นทุกข์ใช่ไหมโดยไตรักใช่ไหมหรือโดยอริยสัตว์โดยอริยสัตว์นี้คือเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ถูกต้องไหความทุกข์ที่แสดงออกในด้านอภุคมาสุขเวทนาเราจะเห็นได้จากสมณะบางเหล่าในครั้งพุทธการสมมาพามงเหล่าที่ เพลงวินิจพิจารณาทั้งสุ่มและทุกข์จนดับไปเหลือแต่กทุกข์อาทุก ข, ข์เขามาสู่กาพิจารณาที่เรียกอุเบกขา เ, เข้าไปเสวยผลบรรลุถึงอทุกข์อุเบกขาเนี่ยไปเสวยผลอยู่ในพรหมโลกการไปเสวยผลในพรหมโลกเนี่ยโดยที่เขาเข้าใจว่าการเฉยๆไม่สุ่มไม่ทุกข์กันเนี่ยคือทางหลุดพ้นการเสวยผลอยู่ในพรหมโลกพรหมโลกเป็นที่ดับทุกข์หรือยัง ยังไม่ได้ดับทุกข์เมื่อพรมโลกยังไม่เป็นที่ดับทุกข์แม้อทุกขมสุขเวทนาไม่แสดงความเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ตามแต่บุคคลผู้ยึดติดในอทุกขมสุขเวทนาหรือไม่รู้จักอทุกขมสุขเวทนาที่เป็นอยู่ในเวลานี้ว่าเป็นธรรมชาติแห่งการปรุงแต่งอย่างหนึ่งสมรภาร์เหล่านั้นย่อมไม่สามารถพ้นออกไปจากวงจรแห่งความทุกข์ได้แล้วก็เอากลับมาเป็นสุขเป็นทุกข์ได้อีกเหมือนเดิมเพราะ สภาพของการที่รักษาอาทุคธรรมสุขเวทนานั้นไว้โดยที่ไม่ให้สุขเข้ามาแทะไม่ให้ทุกเข้ามาแทะการรักษาอทุคธรรมสุขเวทนานั้นไวเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกขท์ทีเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ต้องรักษาอยู่ต้องคอยรักษาจิตอยู่ต้องคอยรักษาว่ามันต้องให้มีต้องเฉยๆอยู่ตลอดเวลาอย่า ไปสัมผัสสุขอย่าไปสัมผัสทุกข์อย่ายินดียินร้ายอะไรประเภทเนี้ย ต, ต้องเราไประวังเขาไปทุกข์อยู่ใช่ไหมเรายังคอยรักษาอยู่ต้องเป็นทุกข์อยู่ม่ว่าต้องทำฌานอยู่ตลอดหรือว่าต้องกําหนดหมายอยู่ตลอดต้องทำอยู่ตลอดแต่มันต่างจากการที่บุคคลที่พระอริยเจ้าที่ท่านการะทําอยู่ในขณะทำในระดับหนึ่งนะในขณะที่ทําอริยมรรคพอจิตท่านสัมผัสท่านนิพพานแล้วท่านไม่ต้องกลับไปกําหนดอีกมันเป็นอัธยาศัยหรือว่าเป็นธรรมชาติรองรับจิตอยู่โดยปกติของมันเห็นไหม นี่คือความแตกต่างจากการทำฌานกับการปฏิบัติเข้าสู่อริยมรรคทีนี้เมื่อเรารู้เวทนาเป็นไม่สุขไม่ทุกข์เราก็เห็นทุกขสัจจ์อยู่ในนั้นว่ามันเป็นการเวทนานี้ก็ยังเป็นเครื่องปรุงแต่งกิจยู่หรือปรุงแต่งกายอยู่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่เป็นทุกขสัจจ์มีลักษณะ3มไหมมีใช่ไหมเพราะก่อนที่มันจะมาเป็นอทุกขมสุขกับเวทนามันจะต้องเป็นอะไรมาก่อนใช่ไหมไม่เป็นสุขก็เป็นทุกข ใช่ไหมล่ะมันจึงมเป็นอาทุคขมสุขเวทนาเมื่ออาทุคขมสุขเวทนานี้อยู่ไปสักระยะหนึ่งคงที่ไหมมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นทุกข์ก่อนเลยนะนั่งนานๆต้องเปลี่ยนเป็นทุกข์ก่อนแล้วมันต้องเจ็บปวดขึ้นมาพอเราผ่อนคลายถึ้งเปลี่ยนเป็นสุขนี่หมายถึงว่าอทุคขมสุขเวทนานี้ก็ตกอยู่ภายใต้ลักษณะสามใช่ไหมเมื่อเรารู้ลักษณะสมแล้วของอาทุค ทุกอาทุคขรรม ส, สุขะเวทนาเราจะต้องไปคอยปกป้องรักษาอาทุคธม ส, สุขะเวทนานี้ไว้ไหมไม่ต้องแล้วทําทไงก็รู้ตามเป็นจริงนั่นแหละอ๋อมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสุขก็ได้เปลี่ยนเป็นทุกข์ก็ได้เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้หรือจะอยู่ในตัวของมันเองก็ได้เป็นเรื่องของมันในความหมายของพระเจ้าคือพระเจ้าให้ปฏิบัติต่อกายให้เห็นกายเป็นธรมมนน ร, ธนนธรมชาติของมันให้เห็นเวทนาเป็นธรรมชาติของมัน อย่าเอาเวทนาเป็นธรรมชาติของเราหรืออย่าไปเอาเวทนามาเป็นของตัวของตัวเองสมรภามที่เขายึดอุทุกข์คำสุขวเวทนาเป็นอุเบกขาเนี่ยเป็ความวางเฉยเนี่ยเขาไปเอาเวทนามาเป็นเครื่องปรุงแต่งตัวเองเข้าใจว่าเวทนาชนิดนี้จะทําให้เขาพ้นจากอสวะเขาจึงบรรลุถึงฌานในระดับถึงอุเบกขาได้อุเบกข า, ายานพระอาหารหันต์ก็มีอุเบกขายานแต่อุเบกขายานที่ประกอบด้วยาสัมพยุตไปด้วยอริยะมรร อรียผลพระนิพพานอารมณร์พระนิพพานรองรับรู้รู้กายรู้เวทนารู้จิตต่อไปอีกที่นีน่ขณะที่กายเรานั่งอยู่เวทนาเป็นอาทุขมะสุขเวทนาจิตเป็นยังไงจิตประกอบไปด้วยราคะโทสะโมหะหรือเปล่าไม่ พอราคะจะเกิดได้เพราะมีสุขเวทนาโทสะจะเกิดขึ้นได้เพราะมีทุกขเวทนาโมหะเกิดขึ้นได้เพราะมีอทุกขามสุขเวทนาเมื่ออทุกขามสุขเวทนาเรารอบรู้มันที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เราไม่ปกป้องมัไม่ได้รักษามันไม่ได้เอามาเพื่อปลุกแต่งมันเกิดขึ้นได้ไหมโมหะอวิชชาเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ไงเมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วจิตเป็นยังไง ตอนเนี้ <c oughs> เราเห็นธรรมาชาติอันหนึ่งของจิตที่มันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเวทนาใช่ไหมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการไม่ยุ่งเกี่ยวกับเวทนาไม่ยุ่งเกี่ยวแม้กระทั่งอาการของจิตที่มันเป็นอยู่ในเวลานี้ว่าคืออะไรแต่เรารู้ว่าจิตมันตั้งอยู่ตั้งทราบรับทราบเหมือนกับว่ามันเฉยเฉยนั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เฉยเพราะอํานาจของอทุกขมาสุขเวทนาแต่มันเฉยด้วยคําบอำนาจของการพิจารณาต่างกันนะ มันก็เฉยเฉยรับรู้แบบมีปัญญามีการเข้าใจอย่างเงี้ยจะเรียกว่ามหคตาจิตก็ได้แต่มหาคตาจิตเขากำหนดไว้ว่าเป็นฌานจิตเป็นมหคตะหรือจิตไม่มเป็นมหาคตะาพระารแต่มันจะเป็นอะไรก็ตามในความหมายของจิตตานุปัสนาที่พระองค์ทรงกล่าวสอนเนี่ยว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามในจิตนั้นขณะนั้นเวลานั้นมันจะเป็นอะไรก็ตาม กก็ให้บอกว่ามันก็คือจิตศักแต่ว่าจิตเพราะอะไรมันมีทุกขสัจจะอยู่ในนั้นถามว่าทุกขสัจจะในจิตมันคืออะไรที่เป็นอยู่เนี่ยขณะนั้นอะ่ะขณะนี้แหละทุกขสัจจะในจิตคืออะไรสมมติว่าหากจิตเราเบิกบานในธรรมรู้ในธรรมแล้วเรายึดอาการแห่งความเบิ่กบานในจิตนั้นไว้นำเกิดอยู่ไหน สุขติภูมิใช่ไหมเบิกบานในธรามสุขติภูมิสิสุขติไปไม่ได้สุขติคือความเศร้ามองของจิตความผ่องใสหรือความเบิกบานไปสู่สุขติไปสู่สุขติภูมิหากเราไม่ได้ตัดสลูอริยสัจรีในจิตที่เป็นเบิกบานนั้นในตัวความเบิกบานนั้นว่าเป็นภพกสัจจาอย่างไรเราจะสามารถปล่อยวางการยึดบั้นถือบั้นในจิตได้ไหมปล่อยวางไม่ได้เมื่อเราไม่สามารถปล่อยวางการยึดบั้นถือบั้นในจิตได้เราก็จะยึดความเบิกบานในจิตอย่างนั้น ว่ oh, จิตเราดีจิตเรามีปัญญาจิตเรามีความรู้อะไรเงี้ยไปสุกติภูมิแต่ทําลายภพชาติไม่ได้ทําให้แจ้งไม่ได้ทีนี้เมื่อเรารู้ว่าจิตดวงนี้แม้จะไปสู่สุกติภูมิก็ตามแต่มันก็ยังไม่ใช่ที่พ้นทุกใช่ไหมตราบใดที่ยังไม่รู้ที่ผ่านมันก็ยังไม่ใช่ที่พ้นทุกเมื่อไม่ใช่ที่พ้นทุกพ้นทุกความเบิก บ, บานของจิตหรือความ ของสายของจิตหรือความเป็นปกติที่จิตดีๆอยู่เนี่ยควรยึดถือไหมไม่ควรยึดถือก็เป็นสัจธรมจิตเป็นเรื่องของจิตมันจะแสดงอาการใดก็มาออกมาก็ตามเป็นความหมายที่วงทรงบอกว่าจิตดีก็ตามก็เป็นเรื่องของจิตจิตไม่ดีก็ตามก็เป็นเรื่องของจิตจะเอาความเป็นจิตมาเป็นตัวของตัวเราให้เป็นเรื่องของจิตถ้าเอาเราเอาความเป็นธรรมชาติของจิตที่มันมีอาการอะไรทั้งหมดในตัวของมันมาเป็นตัวของเราเนี่ย ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเราจะเข้าไปจัดการกับสิ่งนั้นในจิตของตัวเองไม่อยากให้มีจ <hyd> ิตอย่างนี้ไม่มีความคิดอย่างนี้ไม่ให้เกิดอาการอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตไม่มีภาวะอย่างนี้ในจิตอย่างเงี้ยเราก็จะเกิดการรักษาจิตเอาการรักษาจิตไม่ดีเหรอมันก like ็ดีการรักษาจิตในระดับหนึ่งแต่อีกระดับหนึ่งไม่ต้องรักษาระดับแรกต้องรักษาระดับต่อไปไม่ต้องรักษาคือระดับแห่งความรู้เนี่ยไม่ต้องไปรักษาเพราะอะไร เพราะตัวความรู้มันรักษาของมันเองแต่เราไม่ต้องไปประครับประคองครักษามันหากเราไม่ปล่อยวางจิตเนี่ยเราจะไปไปปกป้องจิตไปรักษาจิตให้มันตั้งอยู่ในความเบิกบานอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเรานั่นแหละจะเป็นคุกเพราะความเป็นจิตอย่างนั้นเพราะเราไปเอาจิตยึดเข้ามาพวงจิงบอกว่าจิตแม้มันเบิกบานอยู่ในเวลานี้มันคงที่ป่ น่ะในคงที่มันแปรปวนมันรับอารมณ์ใหม่มันก็เกิดเป็นอาการใหม่มันอยู่ที่สิ่งได้ะผ่านเข้าไปถึงมันมีอายตนะภายนอกเชื่อมโยงกับอายตนะภายในและส่งผลแห่งการเชื่อมโยงนั้นเข้าไปหาตัวจิตจิตก็จะเป็นไปตามอาการแห่งการเชื่อมโยงเนี่ยเมื่อมันไม่คงที่มันแปรปวนและมันก็ เปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะยึดเอาอะไรกับมันได้ไหมเราได้เห็นลักษณะสามในตัวมันไหมหรือที่นี่เป็นการคํานวณรู้เห็นในลักษณะ3มเมื่อเป็นการคํานวณรู้เห็นในลักษณะ3ามพงษ์จึงบอกว่าสภาพจิตใดเกิดขึ้นก็ให้รับทราบสภาพจิตนั้นที่เกิดขึ้นสภาพจิตที่เกิดขึ้นนั้นดับไปก็ให้รับทราบการดับไปของสภาพจิตที่เป็นอยู่ในเวลานั้นไม่ต้องไปทําอะไรที่เกินกว่านั้นแต่เป็นการรับทราบด้วยความรู้ความเข้าใจ ไม่หวงแหนไม่หวงกั้นไม่ปก ป, ป, ป้องไม่ต้องไปรักษาเพราะสติที่ทําหน้าที่อยู่ในเวลานั้นมันจะมันจะทําความเข้าใจแล้วมันจะกั้นกั้นภายนอกเองเพียงแค่เราดูอาการที่มีปรากฏวดขณะนั้นว่าเป็นศักดิ์แต่ว่จิตเมื่อจิตขณะนี้เป็นอย่างเราเข้าใจตอนนี้เป็นควา ม, เ ป, วามเป็นความอุเบกขาอยู่เอาวางเฉยด้วยความรู้ของเข้าใจเป็นกุศลธรรม อกุศลธรรมหรือพยากาตธรรมส่วนมากความวางเฉยจะเป็นอภัยากตใช่ไหมไม่จัดเป็นกุศลหรือไม่จัดเป็นอกุศลแต่มันมีทั้งกุศลและอกุศลแฝงอยู่แต่โดยความเป็นอุเบกขาหรือว่าความเฉยๆกลางๆเนี่ยมันจะเป็นอภัยการตอัพยาการธรรมธรรมที่ประกอบจิตแล้วก็ทราบตามความจริงว่าตอนนี้อัพยากตธรรมประกอบจิตอยู่อัพยากตธรรมที่ประกอบจิตอยู่นี้เป็นภูเขาสัจจะ เพราะอะไรความเป็นกลางไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเนี่ยเป็นทุกขสัจจ์อย่างไงมันยังเป็นสังขารอยู่ใช่ไหมล่ะอพยยากตธรรมเนี่ยเป็นสังขารอยู่นะกุศลธรรมก็เป็นสังขารอกุศลธรรมก็เป็นสังขารพยาการตธรรมก็เป็นสังขารเป็นสังขารที่เกิดกับจิตอาศัยอยู่ในจิตเกิดขึ้นและมันต้องอาศัยจิตเกิดขึ้นเนี่ยมันคงตัวของมันได้ไหมไม่ได้ต้องแปลปวนแล้วก็สลายทั้งความเป็นทุกขสัจจ์ทั้งความเป็น ลักษณะสามก็ปรากฏใช่ั้ยล่ะปรากฏดีแน<ๆ>่นแล้วเมื่อมีสติตามรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมตามอธิบายมาตามลาดับอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจตามบทสรุปที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในสรุปในสติปัฏฐานสี่ว่าเรามีกายเพียงแค่ให้เลิรู้มีเวทนาเพียงแค่ให้ลิรู้มีจิตเพียงแค่ให้เลิรู้ แ ล, แล้วก็มีธรรมที是是่ประกอบกับจิตเนี่ยแค่เป็นเครื่องระลึกรู้ระลึกรู้อะไรระลึกรู้ว่านี่ก็สัตว์แต่ว่ากายใช่ไหมระลึกรู้ว่านี่ก็สัตว์แต่ว่าเวทนาระลึกรู้ว่านี่ก็สัตว์แต่ว่าจิตระลรู้ว่านี่ก็สัตว์แต่ว่าธรรมแค่นี้เมื่อเราเลือกอยู่อย่างนี้แล้วสติที่ทําการระลึกรู้อยู่อย่างเนี้ย มันจะเป็นปัจัยเป็นอิทัปัจจตาในด้านของอริยมรรคอิทัปัจจตาในด้านของมิจฉามร ก, ก็มีนะอริยมรรคก็มีนะมิจฉามากคือระลึกเพื่อไปแต่ระลึกในสี่ประธานสีเนี่ยเป็นสมาสติเนี่ยมาจากเป็นอริยมรรคทีนี้ยังพระอาจารย์พนมพรบอกว่าสติจะเกิดขึ้นได้มาจากอะไร ท่านอาจารย์พนมพรเทพประชามสติมันจะเกิดขึ้นมาได้สัมมาสติจะมาได้มาจากอะไรสัมมาสติในสติปัฏฐาน4ีเนี่ยมันจะเป็นสัมมาสติที่บริบูรณ์ได้เนี่ยเราจะต้องทําอะไรมันมาจากอะไรหมายถึยงว่าสติมันก็เกิดด้วยตัวของมันเองก็ไม่ได้เหมือนกันแหละมันก็ต้องอาศัยอย่างอื่นเกิดขึ้นเหมือนกันนะสัมมาสติจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยอะไร ความเพียรก็ตอบเอ๊ตอบกันบ้างดีเนาะคุยกันได้ดิคุยกันคุยกันสนทนากันก็ตอบกันบ้างไงพูดไยเดียวนี่ไม่ไหวนี่ไม่ใช่เทสได้ดิเทสก็คือเทสแบบเทสไปพูดไปไม่ต้องมาคุยกั น, นไม่ต้องมาถามมาตอบอันนี้ถามตอบนีคือการสนทนากันหรือไม่ได้เอาปากก็ได้วมาเนี่ยเอามาอยู่มาอยู่ก็ตอบกันบ้าง มาจากสัมมาวายามะคือความเพียรการที่จะให้มีสติรับรู้ในกายเห็นกายเป็นอริยสตัตว์เห็นอริยสัตว์ในกายเห็นลักษณะสามในกายต้องเพียรไหมเพียรเพียรอย่างมากเลยแหละเพียรอะไรเพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขณะที่นั่งอยู่เนี่ย หากเราปล่อยใจไปคิดในด้านอากุศลอกุศลเกิดใช่ไหมอิมัสซามิงสติอิดังโหติเมื่อมีการระลึกถึงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อมีการระลึกถึงอกุศลอกุศลเกิดขณะที่นั่งขณะนั่งอยู่ขณะนี้ระลึกไปในสิ่งที่เป็นอกุศลหรือระลึกไปในอดีตระลึกถึงไปอนาคตฟุ้งไปหมดความเป็นมีอยู่ในเวลานี้ไม่มีเลย ไปมีแต่ในอดีตมีแต่ในหลวงเเป็นมีแต่ในเรื่องของอกุศลเมื่อมีการระลึกในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีเห็นไหมเราก็จะเข้าใจองค์ธรรมทีนี้มันจึงอาศัยความเพียรไงเพราะเราไม่ไม่เคยภาคเพียรในจิต ใ, ใจของตัวเราเราต้งมาเพียรเพียรเพียรยังไงเพียรละอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นหมายถึงว่าละยังไงอย่าให้มันไประลึกถึงเรื่องอกุศลเพียรละ เพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรละผู้ผีหรือเปล่าเพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเมื่อเราเระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นมาดูในจิตนี่ในกุศลในจิตมีไหมอกุศลใ น, นเนี่ยราลึกเข้าไปในกายขณะที่นั่งอยู่มีกุศลไหมในจิตเราด้วย อ, อกุศลถ้ามันมีอกุศลให้ละละยังไง ละยังไงเมื่อมันเกิดโดยการระลึกก็เปลี่ยนการระลึกใช่เปลี่ยนการระลึกแค่นั้นเองก็ละแล้วระลึกในอะไรระลึกในกุศลแต่แปลกมากคนเราเนี่ยนะระลึกกุศลได้ยากมากแต่ระลึกอกุศลได้ง่ายมากแปลกไหมแปลกไหมแปลกจริงๆนะอ้าวทำไมแปลกอ่ะ แล้สติสตังเราไปในในแต่ละวันนี้ไปในเรื่องที่มันเป็นอกุศลเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่จะให้จิตของเรามาตั้งอยู่ในกุศลเนี่ยแบบเป็นธรรมชาติเลยเนี่ยไม่ใช่ง่ายอยากเราต้องอาศัยการละลึกอย่างยิ่งเลยมันจึงชื่อเว่าชื่อว่าเป็นความเพียรไงถ้าไม่ตั้งไม่ละไม่ตั้งใจที่จะละอกุศลไม่กําจัดอกุศลแล้วก็ไม่เจริญกุศล คือะลึกถึงกุศลนั่นเองคือการเจริญกุศลเือว่าเมื่อเปลี่ยนการระลึกมาเป็นกุศลธรรมอกุศลก็ดับไปเพราะมันไม่สามารถเกิดคู่กันได้เกิดคู่ไม่ได้แน่นอนมันต้องเกิดได้อันใดนึ่งเท่านั้นพอเปลี่ยนการระลึกปั๊บมาระลึกในกุศลเป็นการกระทากุศลให้เกิดขึ้นเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วทำยังไงต่อรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม เกิดคิดอะไรไม่ไดีปุ๊บระ ล, ลึกเลยธาตกรรมาารสีธาตุสี่คือธาตุดินเรียกเมื่อกีธาตุธาตุน้ำเรียกอโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุท่ อ, องไปอยางนั้นแหละและรักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมคือต้องท่องไว้ให้ติดต่อเนื่องกันไม่ให้เสื่อมเสื่อมเป็นยังไงขี้เกียจท่องก็เสื่อมแล้วนะข <c oughs> ี้เกียจท่องก็เสื่อมคิดเรื่องอกุศสทั้งวันคิดเรื่องอกุศส10ชั่วโมงมาท่องธาตุหชั่วโมง โอ้ยท่องท่าได้ดีจังถึงึชั่วโมงตั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยท่องติดต่อกันตั้งชั่วโมงแล้ไอ้สิชั่วโมงไม่เคยคิดถึงว่าคูคิดเรื่องชั่วอะไรตั้งสิชั่วโมงไม่ได้เคยไปมองเลยเอ๊ใช้ไปได้กันกันในะนะการปฏิบัติคำว่ า, าเพียรนี้หมายถึงว่าติดต่อเนื่องกันตลอดยี่สี่ชั่วโมงไม่งั้นสติเราไม่มีฐานไม่ใช่สติประฐานนะเป็นสติไม่มีฐานไม่มีปัจฐานไม่มีการรู้การละลึกในจิต ทีนี้เมื่อเราเรามีความเพียรจนความเพียรเนี่ยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวันทราบการระลึกในจิตขณะ น, นี้เรากํราลังระลึกโกรธคนนั้นแล้วนะระลึกไปถึงคนนั้นนึกไปถึงคนนั้นเพ่งโพดคนนั้นเอ้ยไม่ได้แล้วกลับมาตั้งใหม่เนี่ยธาตุกรรมฐานสี่ธาตุสีคือธาตุดินขณะที่กําลังท่องธาตุอยู่แวบออกไปอีกทีนี้ใช่ไหมโอโคขนาดจออยู่ในกูโซรธรรมได้แฮ่มันยังแวบออกไปเฉยเลยมันอ่ะ เป็นบ่อยเห็นไก็จะเร็วขึ้นถูกต้องในเรือการฝึกจนสามารถท่านพนมพรใช้ภาษาที่ว่าอุดรู้ลว่วนโอ้โหสุดยอดเนี่ยมันรู้ล้วใช่ไหมแวบไปรู้ล้วนแล้วนะท่านบอกจนสามารถอุดรู้ลว่วนั้นนั่นคือมันจะถึงส่งผลเข้าไปหาสติพอถึงจะสามารถจเจริญสติปัญญาได้เป็นอย่างดีมันต้องมาจากความเพียรความเพียรมาจากอะไร สัมมาวายโม و. ก่อนสัมมาวายโม و. วายามะคืออะไรสัมมาอาชิวสัมมาอาชิวชิวคืออะไรการใช้ชีวิตเกี่ยวโยงกันนะการใช้ชีวิตที่จะเป็นผลแห่งความเพียรหากเราใช้ชีวิตยุ่งกับสิ่งที่เป็นอกุศลสติอิมัตซมิงสติอิดังโภติการระลึกในสิ่งที่กุศล หรืออกุศลอ่าเราสมมติว่าเราใช้ชีวิตในสิ่ในด้านอบายมุกการมานั่นดื่มสุราปีลันวันแทงหรืออยู่ในวงของพวกวิพาววิจารณดาคนโน้นด่าคนนี้วิอะไรคนโน้นเรียว่าคนนี้นะนินทากันอย่างเงี้ยใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นในในกลุ่มอย่างนั้นในวงจรอย่างนั้นในคณะอย่างนั้นในองค์กรอย่างนั้นในพรรคพวกอย่างนั้นในสังคมอย่างนั้นสติเราจะไประลึกที่ไหนก็ระลึกในเรื่องนั้นแหละในการใช้ชีวิตนั้นแหละ หากเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สติเราจะลึกไนแต่ปานนั้นมันก็ยังไปในด้านที่ไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่ง่ายเลยนะจิตนี่ไม่ธรรมดาเลยเพราะนั้นอีทับปัจจยตามันอยู่ทุกทุกขณะขององค์มากนะเพราะนั้นการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อความเพียรคนที่กินเหล้าเล่นการพนันทำอบายมุกทุกอย่างเที่ยวกลางคืน สามารถพักใช้ใช้สัมมาวายามะได้ไหมคือกำลังเต้นอยู่ดีๆหรือว่ากินเหล้าอยู่เนี่ยนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลได้ไหมหลวงพ่<ะ>อเปหลวงพ่อเปทาไมอ๋ อ, อสมัยที่เป็นโยมนึกนึกได้ก็จริงแต่มันจเจริญไม่ได้มันก็แค่รู้สึกผิดว่า มาใช้ชีวิตอยู่รงมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันแต่มันเจริญสัมมาวายาไม่ได้แต่มันแค่นึกได้เท่านั้นเองแต่มันใช้สัมมาวยายาไม่ได้อันนี้อินซีแก่ไงอินซีแก่ก็เป็นอย่างนั้นแหละคือจะถึงจุดแล้วนะจะถึงจุดแล้วกินเหล้าก็มันก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะกินเหล้ายังไงก็ยังสว่างยันน่นแหละเท้าเราเนี่ยยันสว่างเลยมันอินซีไม่แก่เลยอินซีแก่แล้วนี่ก็ มีปัญหาไงการใช้ชีวิตสำคัญแล้วการใช้ชีวิตจะถูกมาจากไหนสมาอาชีวะมาจาก ส, มา ก, ม, สมากมมาารามมโตสมากมตะสมาชีวะยังไมากรมตะคืออะไรฮะการงานเหรอ กรรมมันต่าง ม, มาจากคําว่าการกระทําคือกรรมมากนั่นแหละกรรมคือการกระทำนั่นแหละแต่เขาแปลว่าการงานก็อย่างว่าในแรกคือเขาแปลอาตมาจึ ง, จ, งจึงพยายามอธิบายที่นอกเหนือจากการแปลไงกรรมมากคือการกระทําการกระทําที่ถูกต้องเมื่อมีการกระทําที่ถูกต้องจึงมีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องใช่ไหมแล้วการกระทําคนทําชั่วจะไปใช้ชีวิตในทางที่ดีได้ไหมเนี่ย เพราะฉะนั้นแล้วการกระทําจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นเข็มทิศของการใช้ชีวิตอยู่ที่การกระทําการกระทํามาจากอะไระสัมมาวาจาการวาจาเกี่ยวอะไรกับการกระทําจริงๆการกระทํามันน่าจะมาก่อนวาจาแต่อันนี้วาจามาก่อนนั่นหมายถึงว่าวาจาไม่ชอบการกระทําก็จะไม่ชอบ เอาอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าคนเนี่ยใช้คาพูดมากไม่ในแต่ละวันหากคนที่ยังใช้คาพูดไปในด้านมิชฉาอยู่สิ่งที่เขาทำมันจะเป็นสัมมาได้ไหมไ ม, ไม่ได้ไเพราะฉะนั้นการกระทาของเขาจะดีได้ไเขาก็ต้องมาจากสิ่งที่เขาพูดหรือไปได้ยินในสิ่งที่พูด ก็สิ่งที่เขาไปได้ยินมาในสิ่งที่พูดนั้นดีหรือไม่ดีย่างไรอย่างนีนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคําพูดจึงมาก่อนการกระทาเสมอไม่ใช่การกระทาไปก่อนนะคำพูดไปก่อนนะแม้แต่ความคิดอยู่ภายในจิตนี้ก็คือคาพูดผู้เญิงจึงตรัสถึงความคิดอยู่ภายในจิตว่าเป็นวจีสังขารเพราะฉะนั้นคนที่ปิดวาจาไม่พูดเลยเขาจะสามารถทําผิดในเรื่องของวาจาได้ไหม ได้เพราะวัจจีสังขารมันอยู่ข้างในงใ น, นี้โทษทางวาจาก็มีเอาบอกมันโทษทางจิตมันมันโพษทางจิตก็จริงแต่ผู้เจ้าบอกว่าทุกคําที่จะพูดมันต้องคิดออ ก, ก่อนมาบอกก่อนผู้เจ้าจึงบอกว่าความคิดทั้งหมดจึ ง, จงเป็นวัจจีสังขารคือคําพูดอย่างหนึ่งหมายถึงว่าไม่พูดทางปากปากนี้เป็นเพียงแค่การการะทำทางกายนะสิ่งที่พูดออกมานี้เป็นการกระทําทางกายนะนี่ แต่ตัวคำพูดจริงๆมันอยู่ข้างในปิดปาจาไม่ใช่ปิดคำพูดนะปิดกายไม่ให้ขยับไม่ให้เสียงมันออกมาเฉยปิดกายไว้แต่ตัวพูดมันอยู่ข้างในอธิษฐานแนะ่ะสามเดือนนี้จะไม่พูดแต่ข้างในอะ่ะถังวันแล้วมันต้องพูดในสองด้านใช่ไหมดีกับไม่ดีเห็น <c oughs> <c oughs> ไหม ผู้เหญาจึงบอกว่าใครตั้งอธิษฐานปิดวาจาคนนั้นประพฤติประดุดดังเดียถีนอกลีเราไม่อนุญาตให้ประพฤติอย่างนั้นเป็นมูขวัตใช่ไหยวัดของเดียถีนอกศาสนาเรีมูขวัตวัดที่ไม่ใช่ทางอริยไม่เป็นไปเพื่ออริยและไม่ทำให้เกิดผลในความเป็นอริยปิดวาจา ใครเคยทํบ้างเคยมีคนเคยด้วยเขาที่ปิดวาจาเลยไม่ได้แต่ผู้เจ้าจึงบอกให้มีสัมมาวาจาสัมมาวาจามาจากอะไรอ๋อคุณเจะอ๋อสัมมาวาจามาจากสัมมาสังกปปะความคิดเห็ม ทุกสิ่งที่จะพูดมาจากความคิดทั้งหมดความคิดจะถูกต้องได้ก็มาจากความเห็นที่ถูกต้องความเห็นจะถูกต้องได้ต้องมาจากการฟังธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นหรือฟังคําของพระอริยเจ้าเท่านั้นจึงจะเกิดความเห็นที่ถูกต้องได้ความเห็นที่ถูกต้องที่เริ่มต้นที่สุดก็คือเห็นความดีเป็นความดีเห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นทั้งความดีและความชั่วว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันอยู่ ในคนคนหนึ่งมีทั้งดีทั้งชั่วปนกันจะให้ดีโดยส่วนเดียวไม่ได้จะให้ชั่วโดยส่วนเดียวไม่ได้จึงไม่มีใครดีถาวรนและไม่มีใครชั่วถาวรเพราะมันมีทั้งดีทั้งชั่วปนกันอยู่ในนั้นเราจะสามารถตัดสินคนนี้เร็วเราอาจจะเห็น ค, าความเร็วในขณะที่เราเห็นเขาทำนั้นแต่ความดีอีกเก้เ้าเราถึงเห็นไหมไม่เห็นเพราะสิ่งล่านั้นไม่ปรากฏแก่สายตาแล้วเราก็ตัดสินเขาเร็ว เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราไม่เข้าข้างความถูกหรือความผิดแต่พระโอษฐ์บอกว่าความถูกเป็นเส้นทางเดิมเท่านั้นยึดถือไว้ก็ไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจะสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาสติเราก็จะสัมมาสติไหมเมื่อมีสัมมาสติในสติปัฏฐานสีแล้วเนี่ยต้องเรียกร้องหาสมาธิไหม ไม่เรียกร้องเมื่อมีสัมาทิเมื่อเราฟังธรรมะอย่างถูกต้องแล้วจะต้องเรียกร้องหาสมาทิฏีิไหมเมื่อมีสมาทิฐิที่เจริญบริบูรณ์ดีแล้วจะต้องเรียกร้องหาสัมมาสังกปปะไหมทำไมไม่ต้องเรียกร้องมันจะเกิดขึ้นตามมาถูกต้องไหมเมื่อสัมมาวาจาดีแล้วการกระทาที่ถูกต้องต้องบังคับไหมไม่ต้องกูต้องทาดีก็ต้องทาดีอย่างเงี้ย เราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนดีจะเป็นนะมันก็จะเป็นอย่างนันแะไม่เป็นสักทีนะไม่เป็นไม่เป็นสักทีคนที่บอกจะเป็นคนดีหนูจะเป็นคนดีไม่เคยดีสักทีหรอกจริงๆเพราะคนดีเขาดูที่ไหนการกระทําใช่ไหมการกระทํามาจากวาจายใช่ไหมวาจายความคิดในภายในกันมาจากสมาสังขปนนัญญาเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเลยปมทําเราเนี้ย จากกรรมันตตาอาชีวะวิยมาสถิตสมาธิพวกนี้ไม่ต้องพิจริย์ลองการสดับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการฟังนี่แหละสำคัญที่สุดกว่าการปฏิบททัติธรรมบางคนบอกว่าไม่ต้องไปฟังมากไม่ต้องไปอ่านมากไม่ต้องไปศึกษามากทำมากหนักทำเลยเป็นยังไงทําเลยก็หลงเลยก็เหมือนกันนะ ตังมิชฉาสมาธิเต้ไม่หมดเลยมิชฉาสติก็เต้ไม่หมดเลยทุกวันนี้มิชฉาญาณนะมิชฉาปัญญาก็เต้ไม่หมดเลยทุกวันนี้เขาที่เห็นนี่บางีก็ไปกันไม่รอดมันสมาธิมันไม่เป็นไม่ถูกลแล้วก็ฟังเทศ Pierce, ไม่ไม่ไม่เกิดสมาธิิการฟังเทศที่จะนำมาซึ่งความสําเร็จผลที่ดีก็ต้องฟังแล้วต้องเกิดสมาธิิหากฟังแล้วไม่เกิดสมาธิินั่นไม่ใช่ความสําเร็จผลในการฟังเทศ การฟังธรรมมากเพื่อก่อให้เกิดสมาธิถิเท่านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดการยึดถือในสิ่งที่ตนเองฟังมาว่าพระุทธเจ้าตัดอย่างนี้ก็จํามาแต่ม่ตัวเองยังไม่เกิดสมาธิถินะแค่จํามาจํามาว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ก็เชื่อเลยพระเจ้าสอนว่าโลกหน้ามีจริงก็เชื่อนรกมีจริงก็เชื่อโดยไม่ไปพิจารณาพิจิตรณาด้วยเหตุและผลไม่มีสมาธิถิ อันนั้นก็เป็นมิจฉาเชื่อแบบมีมิจฉาเพราะนั้นความเปพุทธศนาของเราไม่ได้เชื่ อ, อเลยเชื่อเลยไม่ได้แต่เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแต่เชื่อเลยยังไม่ได้ทุกอย่างต้องนํามาสู่การปฏิบัติคือพิณิพิจารณานั่นเองเข้าสู่การปฏิบัติแต่การจะปฏิบัติได้นั้นต้องเกิดสมาธิที่ถูกต้องการจะเกิดสมาธิการฟังเทศแล้วปั๊บต้องขบทิศ อาตมาพยายามบอกให้พวกเราได้ขบคิดไม่ใช่ฟังเอาเนื้อความฟังฟังฟระฟังผูง้ พ, พระอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ที่บายอย่างนี้จําำจจำจำจำจ ำ, จ ำ, จ ำ, จำไม่รู้จะขบคิดไม่ได้ไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดแทงตลอดทําไมแทงตลอดแล้วมันจะทำลายอาสวะไม่ได้เอาฟังมาแล้วรู้ไหมว่าต้องทํำอะไรอาสวะตอนไหนทีนี้ทํำอะไรอาสวะตรนไหน ตอนไหนไม่รู้เลยฟังเสร็จเออเลิกหมดเลยไม่รู้เลยว่าต้องทําราสวาตอนไหนอลังทําะไรอาสวะตอนไหนจับประเด็นได้ไหมฟังมานี่เอหรืออาตมาอธิบายทําใช่ไม่ได้วันนี้คดับตรงเวทนาดับตรงเวทนาเลย ดับที่เวทนาเลยหรอดับได้ตัณหาเลยหรือตัวตัณหาเนี่ยนะแค่นั้นแหละดับที่ไหนดับที่ความไม่รู้ก็ก็ต่อกันเองไม่ใช่หรอว่าเพราะหลงใช่ไหมล่ะเพราไม่รู้เพราะหลงมันก็ต้องดับที่ความไม่รู้นี่ก็ทําให้มันรู้ไง พอพอไล่เช็คไปเช็คมานี่หล้มล้มทิศหลงซอยกันไปนหมดแล้วนะ น, นี่โอ้ให้อธิบายดีกว่าไม่พูดดีกว่า<ม>คุยกับอาตมาแล้วมันยุ่งยากต้องฟังคนที่อธิบายง่า ย, ายๆท่านพนมพรหลวงพ่อเบนคุยง่ายฟังง่ายฟังอาตมาฟังยากยังไม่เรี่ยมนี่แล้วเลยจะมาฟังอาตมานี่ยยากเขาก็บอกพระอาจารย์พูดให้มันง่ายกว่านี้หน่อย มันง่ายมันก็ง่ายอยู่ไอ่ไงไอ่ง่ายแล้วก็เรียนรู้มาเยอะอยู่มันก็ง่ายมามากันทั้งหมดนั่นเองมาฟังอัน ย, ยากๆบ้างเพราะคนที่จะเข้าถึงธรรมะได้จะยากแค่ไหนทำจะพูดไปในชั้นไหนก็ตามเป็นความยากมันจะมีจุดหนึ่งที่จับประเด็นรับเชื่อมโยงแล้วก็กระช่างแจ้งกันขึ้นมาภายในจิตนั่นนี่มีอะไรยากมีอะไรง่ายแล้ว การฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งต้องฟังให้เข้าใจฟังให้ละเอียดบางอย่างที่เขาแปลมาไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปไม่ใช่ถูกทั้งหมดหมอิมัตซมิงอสติเมื่อไม่ระลึกถึงสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัตซมิงอสติอิดังโหติอิดังนักโหติใช้คาว่านักโหติ ใช่ไหยบาลีใครจำได้อีดังนะโหติอิมาซมิงอาสาติอีดังนะโหติเมื่อไม่ระลึกถึงสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีไม่นึกถึงบาปบาปมีไหมไม่นึกถึงบุญบุญมีไหมเพราะฉะนั้นบุญหรือบาปจะเกิดขึ้นได้โดยการนึกใช่ไหมแล้วกิเลสละไม่นึกถึงมันมันก็เกิดใช่ไหมกิเลสเนี่ย ไม่นึกถึงมันมันก็เกิดใช่ไห ม, มหรื อ, อยังไองาาอะไรนะาาใช่มันต้องมีภาษาต้องมีเวทนาถามว่าเมื่อมันมีภาษาไม่มีเมื่อมีเวทนาเนี่ยความเชื่อมโยงกันอย่างนี้เองพวกองคจริงเอาสติมาไว้กับเวทนาสติปัฏฐานสีในกายในเวทน า, เ, าเวทนาเกิดขึ้นกับเราในขณะที่เรายืนเรานั่งหรือเราเดิน ผู้โยงให้ทราบอิเดียบทเมื่อเวทนาเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งปั๊บเวทนานั้นแทรกมีราคาเข้ามาแทกในจิตไหมหรือมีปฏิฆะเข้ามาแทกในจิตไหมหรือมีอวิชชาเข้ามาแทรกในจิตไหมขณะที่นั่งอยู่ขณะที่เดินอยู่อวิชชาแทรกเข้าในจิตไหมปฏิฆะแทรกในจิตไหมราคาแทรกในจิตไหมขณะที่นอนราคาแทรกในจิตไหมนอนด้วยอํำนาจของราคาไหม นอนด้วยอานาจของปฏิฆะไหมนอนด้วยอํานาจของอวิชชาไหมขาที่เดินขณะที่ยืนลุกขึ้นยืนยืนด้วยอํานาจของราคะไหมยืนด้วยอํานาจของปฏิฆะไหมยืนด้วยอํานาจของอวิชชาไหมเห็นไหมยกมือยกด้วยอํานาจของราคะไหมยกด้วยอํานาจของปฏิฆะไหมเหยียบอาไกว่ ละเอียดเรื่องอนาจของปฏิฆาเป็นยังไงยัง ไ, ไ ง, ไไงก็มันทุกอย่างเนี่ยสติจะเกิดน่าต้องเพียรใช่ไหมล่ะเพียรต้องเพียรในกายเพียรในจิตการที่จะมาบรรลุทำกันฟังปุ๊บบรรลุปัง้งเฉยกันเนี่ยร่างอสัวะตั้งใจว่าจะมาฟังไตรลักษณ์แล้วจะทำลายร่างอสาัาวะมันเป็นไปไม่ได้อาตามาเนี่เดินจงกรมจน โอ้โหตีปัญหาตีสภาวะธรรมตีขบคิดที้นแล้วมีนาอีกเพียนแล้วเพียนอีกตามดูกายดูจิตดูแล้วดูอีกเส้นผมเหลือเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ขนเหลือเป็นผู้สุขผู้ทุกข์เล็บนี่เหลือเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ฟันนี่เหลือเป็นผู้สุขผู้ทุกข์หนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ไปจนถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารเมลอาหารเก่านี่เหลือเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ราคาเกิดขึ้นในจิตเส้นผมนี้เหลือคือราคะเป็นราคะ ขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกไล่ไปที่นี่มันเป็นราคะตัวไหนเป็นราคะกระดูกหรือเป็นตัวราคะทําให้เป็นก่อให้เกิดราคะหรือเป็นไ ป, น ป, น ต, ป, นปนตามอาการแห่งราคะหรือตัวไหนตัวจิตเหรอจิตคืออะไรที่นี่ไล่เข้าไปในจิตนี่ส่วนไหนเป็นราคาสุขเวทนาหรือเป็นราคะไม่สุขเวทนาคือสุเวทนาราคามันแค่แอ บ, บอิงเข้ามาทีนี่เราก็ไม่หลงอาการแห่งความสุขที่นี่เราก็ไปตอบสนองความสุขนั้น เราก็ได้แค่จอดูจอดูจอดจอดูจอดจอดูสติก็ตั้งดูตั้งดูตั้งดูตั้งดูตั้งดูตั้งดูมันเข้าใจว่ามีสุขทีนี้อ๋อมันหลงนี่เองหลงเข้าใจว่ามีสุขมีสุขในกายมีสุขในจิตเข้าใจว่ากายนี้มีความสุขจึงให้ความสุขกับกายปนเปืออยู่กับกายแส่แมงหากอปวยมาใส่กายตอบสนองทางกายทำให้กายอุ่นใจเบาใจหรือพึงพอใจแล้วทําให้อยากได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่ไม่หยุด ไม่พึงไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นอย่างเงี้ยไอ้ราคะมันทำให้เราไม่หยุด อ, อยู่เพียงแค่นั้นทายานอยากยิ่งขึ้นไปอยู่เรื่อย ๆ, ๆ, ๆในเมื่อกายก็ไม่ใช่ความสุขในเมื่อเวทนาเป็นเพียงแค่การแสดงอาการขึ้นมาเส้นผมขนเล็บฟันหนังเลือเองก็ดูไม่ใช่ตัวความสุขเวทนาที่อาศัยอยู่ภายในเส้นผมขนเล็กนี้ก็แค่แสดงอาการในสิ่งนี่มันผัสสะมาเท่านั้นไอ้ตัวราคะจะเป็นความกําหนัดความใพร่ความยินดีความ อะไรก็ตามที่มันแฝงเข้ามาด้วยอาศัยความสุขเป็นตัวกระตุ้นให้เราได้ทําการตอบสนองเมื่อสติจ่ออยู่เต็มที่ว่าความสุขนี้ก็คือทุกข์ขัจจางอันนึง่งถูกบีบคันด้วยกามที่มันจะต้องให้เราไปทักกระทาตามมันต่างๆนาน า, น า, นานเมื่อเราหยุดมันแล้วปับ๊บมันก็ไม่มีเครื่องมือในการตอบสนองเพราะเราทราบชัดเจนว่ากายนี้ไม่ใช่ความสุข เส Sugar, ้นผมขนเล็บฟันหนังเลือดเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามห้วใจตับห้งผื่ไตปอดไส้ใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสด็นองเลือดมันเหนื่อมันคนน้ำตาเปรียวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขขอน้ำปลาสวะไม่เห็นมีความสุขตรงไหนเลยน้ำปลาสวะถามน้ำปลาสาวะมีความสุขไหมไม่มีถามกระดูกกระดูกมีความสุขไหมไม่มีในความสุขที่เขาจะมีความสุขที่เราจะมีความสุขทางกายหรือความสุขทางจิตทางจิตกอเวทนาจะเป็นสุขแท้หรือถุกแท้ทําไมมันถึงดับไปได้ สัญญาคือความสุขหรือสังขารในความสุขหรือวิญญาณในความสุขหรืองรอามรไม่ใช่ความสุขอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าให้สิ่งที่มันแฝง แ, แ, และแทรกเข้ามาพร้อมกับเวทานานั้นลวงกิตถ้าเราล้มไปตามอาการของมันโอนตามเอตามน้อมตามนั่นคือขาสติเมื่อขาสติก็เป็นไม่ใช่อัสติไม่ใช่มีมีมมสตินะข้าวขาสติเนี่ยมีสตินั่นแหละ แต่สติหลงไงหลงเพราะฉะนั้นมันหลงเพราะมันไม่รู้พอเรารู้มันก็ไม่หลงเมื่อเรารู้มันไม่หลงสติก็เป็นสติอันที่ไม่หลงก็เป็นอสศัมโมหะสติสติที่ไม่มีการหลงลืมไม่หลงลืมว่ากายนี้เป็นทุกข์ไม่หลงยึดในกายว่าเป็นสุขไม่หลงลืมว่าจิตก็เป็นทุกข์ไม่หลงลืมว่าในจิตมีทุกข์อย่างน้นั้น รู้สึกตัวอยู่ในนั้นภายในตัวเองทีนี้ราคะจะเกิดมาในรูปแบบไห น, นก็เกิดมาเลยทีน่นี่ไม่หลงซะอย่างเกิดมาทีน่นี่จอดูรู้อยู่รู้อยู่มันก็จะถูกรู้เหมือนกับอาการอื่นๆในกายมันจะถูกรู้ไปด้วยแล้วจะแยกตัวออกแยกแยกแยกออกจากอาการทางกายเวทนาสัญญาสังขารย น, ยานิญามแยกออกแยกออกแยกออกแยกออกดูไปเรื่อยๆนะ จะเห็นการแยกออกจนขาดสบั้นออกจากกันก็พังทลายออกจากจิตไม่เชื่อมโยงมันอีกไม่ก่อเกิดมากวนจิตกวนใจกันอีกเด้ปานนั้นเลยเนาะ ม, มันเพีย น, นต้องเพียนทำนไ้ <laughs> หมดแล้ว ว่าจะมอบหน้าที่การแสดงธรรมให้ท่านพนมพรที่ดอยนี้ดอยเพียงเกี่ยวก็ให้หลวงพ่อเปหนนาสโสค้างก็ให้ท่านจันโถยอัตมาก็พักผ่อนธาดขันแต่ยังไม่ถึงเวลานั้นเดี๋ยวยังยีงจะมีมีประกาศประชุมกันอยู่ในกลุ่มลูกศิษย์ ท่ า, นะานมหาหินท่านบอกว่าท่านพ้อเมื่อไหร่ท่านก็จะแสดงอยู่ท่านจะเทศอยู่ท่านก็เลึกถึงอุปการะคุณจากญาติโยมอยู่ที่ให้ข้าวให้น้ําเลี้ยงดูท่านท่านก็พางเพียรอยู่ตอนนี้นะให้โอกาสเวลาท่านบ้า ง, างไม่ละนะนะท่านมีอะไรที่ สมความปรารถนาหรือถึงถึงความปรารถนาแห่งใจแล้วเดี๋ยวท่านก็จะมาพูดอะไรดีๆให้เราฟังเอง <c oughs> แต่ <c oughs> อาตมาเชื่อว่าพวกเราที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยมันมันสามารถเกาะกันไปได้พึ่งพากันไปได้คุยธรรมะกันปฏิบัติทํรร่วมกันใช่หมมันมีแง่มุมต่างๆที่เราฟังแล้วได้ได้คติได้ข้อคิด กกันไปได้ไม่เสื่อมร็อกเมียตมาก็ไม่เสื่อมร็อกไอู้บาอาจารย์เยอะแยะเลยฟังอาจารย์พนมพรก็ได้แง่มุมไปอีกแง่มุมอีกเป็แง่มุมที่ฟังได้ยากเหมือนกันใครจะถามอะไรอีก ยิ่งดีที่เราจะทำก็รอจากเดนนั้แต่ว่ามันมาจีตรงที่ว่าพอที่จะนากลับเ้ไปอล้วมันจมีตัวที่หมาว่าตัวมโนตัวรู้ว่าส่วนนี้แล้วมันมีมันมีสิ่งที่มันที่มันแสดงออกมาที่ที่เราูุ้กทีเราเห็นว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์ตัวนี้มันจะมองทัศน์นั้นก็คือความทุกข์นะคะ แล้วมันไม่ผ่านไม่ผ่านตรงไหนมันไม่ใช่ไม่ผ่านหรอกมันรู้มันเข้าใจกระบวนการระบบเพียงแต่ว่ามันยังไม่พอเท่านั้นเองคือเห็นมันอยู่แต่ว่าคือไม่ต้องทําอะไรแค่เห็นมันเกิดแล้วก็อยู่ใช่มันยังไม่พอถ้ามันพอมันทำลายของมันเองไม่ใช่เราเข้าไปทําอะไรมันเราแค่อะไรเนี่ยแหละมีสติเท่านั้นเองนะมีสติรึกรู้ในกายในเวลาในจิตในธรรม แล้วก็พอส่งผลถึงสมาสมาธิสมาสมาธิเกิดขึ้นมาทํหน้าที่ของมันปั๊บมักแปดครบบริบูรณ์ปึ่ง นั่นแหละสตินั่ น, นแหละคือสัมมาสติางต้อก ร, กร ป, อรปกป้องไม่ได้ห่วงไม่ได้ถ้าห่วงเมื่อไหร่คือยึดเมื่อนั้นถ้าปกป้องเมื่อไหร่คือยึดเมื่อนั้ น, นมันต้องปล่อยให้ธรรมชาติที่มันเป็นแสดงขึ้นมาได้เต็มที่มันจะเป็นอะไรก็ตามจะอกุศลก็ตามปล่อยให้ขึ้นมาเต็มที่จะเป็นความทั่วความที่ไม่ดีความที่มันน่าร้ายความที่มันเป็นบาปเป็นกรรมสารพัดอะไรก็ตาม ปล่อยให้มันคืนมาเต็มที่แล้วต้องมีสติเต็มที่ด้วยในเวลานั้นให้มันพอกันแ่ที่ี่เห็นมันคันมากนะเนาะเนั้นเเดียวกันเลยมาทางเดียวกันเลยเว้ยมันคันแล้วทีนี้ก็กเดินน้บาตอนแรกคันี่้อคันแล้วตอนแรกจะเริ่มมือปก่อนแล้วทีนี้ก็งอมือมันก่อนน่าเห็นไหมเห็นไหมว่ามันขนาดไหนการคันนี่คนใช้สติคนจนน้ตาไหลเลยสถานะมัน ที่มันก็เลยรู้ว่าอ๋อตัวนี้ที่ผ่านมาที่มันคอยทำให้เราแบบทำตามมันพูยาวเพื่อสดอกตัวนี้นี่เองมันแย่ิใจใช่ใช่ี่นีอ้มันอดทนบสุดๆเพราะว่าโอ้รู้แล้วไม่ไม่เห็นดับแล้วยังเห็นอาการคันนั้นดับต่อหน้าต่อตาไหมโอ้ยถ้าไม่เห็น ถ้าไม่เห็นจะไปถึงไหนก็ตามต้องจอจออยู่นี่อันอื่นในทิ้งทิ้งจ่ออยู่นี่ถ้าเป็นอาตมานะไม่ไปวินาบาตร์ไม่ยังไงแล้วทิ้งบาดไว้ข้างทางนู่นแหละจะจะจะดูตัวนี้เดินกลับเฉยๆดูตัวนี้เป็นมันดับเพราะมันดับปุ๊บนั่นแหล่ะไอตัวนั้นแหละอาทิตย์ต่อหน้าต่อตานั่นแหล่ะยังยังยังไม่เข้าใจอย่างนี้ยังไม่เข้าใจต้องต้องเห็นการดับก่อน นั่นคือการประมวลผลที่เกิดจากการที่เรารู้มันมันเลยเกิดการประมวลผลแล้วก็เข้าใจพิจารณาให้มันรู้มันก็เลยบอกว่าอ๋ออันนี้มันรู้ไม่จริงยังไม่จริงอ๋อเออนั่นมันยังไม่จริงจริงคือเห็นดับความจริงนั้นดับไปจริงคืออาการจริงจำไว้เลยต้องเห็นอาการจริงที่เกิดขึ้นจริงและดับลงไปจริงแม้เจาจับพิจารณาคานวณเห็นว่ามันต้องดับ แต่นั่นก็คือการพิจารณาจะไม่ใช่เห็นต้องเห็นจริงดับจริงเห็นเห็นจดูมันดูมันจนมันจับก็เพิ่งเห็นคั้งแรกแล้วนะคัทุกทีก็ไม่เคยไม่เคยเขาบอกว่าเป็นเ่อของการเราไม่สนใจมันจะดับตอนไหนก็ภาพาโอนันไม่ได้ไม่ได้ไปจอยอย่างนไปจอยอื่นไม่ได้ภาพไปอย่าง่ไ่เคยเนทางศาสว่าทุกทีมันัแค่ ยังหวงวินาบาตอยู่ตะมาทิ้บาตรถ้าเป็นาาตะมาแง่ไม่กินก็ไม่กินว่าข้าวไม่ซดน <c oughs> <c oughs> การภาวนามันต้อประปานั้นเลยมันถึงจะได้เลยใจมันกำลังแหม่กาลังจอดูจอดูจอดูพอมขาดเคร่วงไอ้ขาดเครื่อง น, นี่แหละมันเนี่ยแหละทีอ่อาตะมายังไง เป็นโทษท่องการไปสวดงานในบ้านอะไรเงี้ยกำลังพิจารณาจิตกําลังได้อย่างดีกําลังเขาก็ไม่เรียกพระมาเรียกท่านนิมนต์ไปสวดงานนิมนต์ในบ้านโอ้โหจิตเรากําลังฟัดเบี่ยงกับกิเลส น, นิมนต์ไปสวดงานคนตายงานนั้นงานนี้โอ้โหมันลังเข้าได้เข้าเข็มนะมั น, ะมนแหมงานพวกนี้นงานอะไรว่างานของพระงานฆ่ า, ากิเลสนี่ไม่ใช่งานพวกนั้นนะวะ มันจะเป็นจะตายก็ตายกันทั่วโลกทั่วดินแดนไอ้ไม่เราไม่ไปสวนเห็นเป็นไรนี่หว่าแต่เขาไปอ่เสียดายอยู่เสียดายขนาดจิตที่กําลังพิจรารณาอยู่น่ะเสียดายแต่ก็ไปทําให้ไปเลยก็เป็นเรื่องเราเป็นพระใหม่อยู่แล้วเขกพวกหั ว, วแข็งไอ้พวกพระเนี่ยมันรู้เป็นยังไงนะ่ะว่า ก, กันได้หัวแข็งอย่างงั้นยังนี้พรเราไม่ทาตามเลยไอคนใจมันกําลังพิจรารณาทําเว้ยเนี่ย มันกำลังจ่ออยู่มันลังอยู่ความสงบมันกําลังทํากิจหน้าที่ในการจับประเด็นของอสวกิเลตอยู่แต่ก็ไม่ว่าอะไรก็ผ่านมาแล้วแหละพูดถึงพูดถึงว่าเบื่อในพวกที่สวดมนต์กลายเป็นการเบื่อหนมาตั้งแต่นั้นมารู้สึกว่าเธนมีโอกาสเราเราหน้าบ่ะเขามีโอกาสน่้นได้โตโ ต, ตขึ้นมาแล้วนะที่เราแก่พรรษาขึ้นมาแล้วนี่ ไม่อยู่ในวงจรพวกนี้หรอกก็ได้มาทำอย่างนี้จริงๆงานพระคืองานพระให้พระไปรับผิดชอบงานของโลกงานของคนตายกขบอกเอาท่านกินข้าวชาวบ้านก็ต้องไปสวดให้เขาสิเดี๋ยวก็เป็นหนี้เขาใช้ห น, นี้เขาม่หมดหรอก ไม่รู้หรือก็กลังใช้นี่อยู่ตอนตอนที่กับพี่นาธรรมะนการใช้นี่ไม่ใช่ไปสวดนะใช้นี่ปฏิบัติทำภาวานาธรรมน่นเรียกว่าใช้นี่จำไว้นะโลกทั้งหลายให้พักปฏิบัติภาวานาธรรมบ้างนี่มันแต่ไปสวดงานนั้นงานนี้อยู่ตลอดไอ้ตายนะเผาตอนไหนมันก็มันก็เผาเป็นเท่าฐานนึงกันหมดนั่นแหละจะสวดหรือไม่สวดนก็เผาเป็นเท่าฐานนึ่งไอ้คนชั่วคนดีก็เผาแล้วสวดแล้วก็คนดีก็ไปตามดีคนชั่วก็ไปตามชั่วสวดแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นหรอก ให้พระภาวนากันบ้างจะได้มีพระดีๆไว้ทําบุญกราบไหว้พระที่ท่านชําระจิตชําระใจตัวเองเป็นสังฆังสารนังะชามิเป็นสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระที่ดีบ้างในศาสนานี้มีแต่พระสวดพระเสภพระเลขพระยันพระสารพัดนันก็วกมาเรื่องพวกนี้อีกได้เห็นไหมล่ะเอาจริงๆนะมันเกี่ยวโยงกันจริงๆนะําคาญมากเลยตอนตอนที่เป็นพระใหม่อยู่นั่น ที่ยังอยู่ในวงจรของการไปสวดมนต์ตามธรรมเนียมของชาวบ้านเขาอยู่นั่นโอ้ยแย่เสียหายแต่ก็ยังมีบุญยังพอประคองอยู่นะีน่มีบุญประคองเอไคนที่มีบุญเขาไม่พออินทรีย์อ่อนอย่างเงี้ยไปไม่ไหวเยอะก็ก็เลยหากินกับผ้าเหลืองโดยการสวดนี่แหละนี่พระรับรับบวชเข้ามาเพื่อสวดให้ได้รายได้อย่างเดียวก็มี แ, แต่พระที่สวดปฏิบโบคเพื่ออะไรซัพ์เพื่อหลับสักการะอย่างเดียวก็มีนีนะพระปฏิบโบคที่สวดปฏิบโบคเพื่อให้ได้ ไ, ได้รั์อย่างเดียวเนี่ยก็เรียกว่าทำอะไรนะเป็นอาชีพเลยนะสวดกันเป็นอาชีพนี่ชาวบ้านก็ชอบพระทงหลายก็ชอบ เพราะพระขี้เกียจสวดปฏิโมกขด้วยตัว Past อเองพระเราอย่าขี้เกียจเด้อเนะสวดกันมั่งจะมาอ้างว่าแก่ไม่ได้อ้างใช้ข้ออ้องางศาสนานี้ต้องต้องรักษาต้องปฏิบัติเป็นหน้าที่ <l ame> นี่ถึงข่าวที่จะต้องวางแล้วไงถึงข่าวแล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ <l ame> ขาวที่มันไม่ไหวก็จะบอกว่าไม่ไหวอันที่ไหวก็จะยังไหวอยู่ตอนนี้ยังไหวเข้าใจแล้วนะเออมาพูดไตรักให้มันแจ่มแจ้งกว่านี้มันก็ไม่มีแจ่มแจ้งเท่ากับจิตเราไพิจารณาถึงความแจ่มแจ้งเองแจ่มแจ้งชัดเองเข้าใจไหมเข้าใจแบบมึนๆงงๆ ง, งงๆ ง, งักๆหรือแบบไหน ใม่เรียบมั น, ม, นมันพอที่จะรู้เพิ่มเติมขึ้นมาไหมหรือยังรู้เท่าเดิมนนนั้จจููีใหญ่เข า, าจูมมากนะ <c oughs> เดินด้วยตัวเองบ้าง <c oughs> เขาหิ้วปีกอยู่นั่นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> นเแเดือนกว่าเพราะว่า ม, มันมทแบบไมมาอมของมันนีค่คื อ, อมอมคอทเราว่าอัตโนมัติมันก็ยังไม่ช่มันมีอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติละเอียดซ้อนละเอียดอย่างอลังว่ามีละเอียด อลังมาเลาให้ฟังว่าไปพิจารณาที่ลเกียร์มีสามวันพิจารณาเรื่องขันห้าลางบอกวา่าการที่เวทนาหนึ่งจะปรากฏขึ้นได้แสดง ว, ว่ามันมีระบบข้องขันที่เชื่อมโยงกันมาเป็นละเอียดหรือห ล, ล, ลายขั้นตอนก่อจะมาแปลปรากฏเป็นเวทนาให้เราได้สวยครับกระบวนการข้องขันห้าเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเชื่อมโยงกันมาเนี่ยมากเหมือนกับฟันเฟืองของเครื่องจกักรที่อยู่ในห้องเครื่อง ที่เครื่องจักรใหญ่ๆมีฟันเฟืองอย่างนี้นเป็นร้อยเป็นพันหมุนส่งกันให้เกิดการทํางานในหนึ่งครั้งหนึ่งรอบเงี้ยเฟืองหมุนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ึเกิดการทํางานหนึ่งรอบเราจะเสอวยเวาทานาครั้งหนึ่งแสดงว่า ก, การทํางานทั้งขันห้าครบทั้งห้านะนะทำงานร่วมกันอกเออที่ดาอย่างนี้ใช้ได้เป็นปัญญานเนี่ยจะความเข้าใจจะได้ไม่ต้องห ล, ลงยึด ม่นานแล้วเอาแล้วมาพอสมควรแก่เวลาในคืนนี้เอวัง